หญิงสาวผู้เคราะร้ายนั่นใช่ไหมใช่เอ๊ท่านรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นบิดามารดาของหญิงสาวคนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาในตอนดึกสงัดเทพเจ้าประจําเทวไลัยได้มาพบอาตมาเทพเจ้าประจําเทวไลัยมาพบท่านเนะถูกแล้วท่านได้มาพบอาตมาและเล่าให้ฟังว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาท่านบอกว่ากําลังถูกปิดามารดาบังคับ ให้เผาตัวตายตามสามีและขอความช่วยเหลือจากท่านท่านบอกว่าไม่ชอบประเพณีโหดร้ายทารุนี้เลยท่านอยากให้เลิกเิฮะท่านอยากให้เลิกนั่นเป็นความจริงท่านอยากให้เลิกและท่านเห็นว่าอาตมาพอจะแนะนําสั่งสอนท่านทั้งสองได้จึงมอบหมายอํานาจให้อาตมาทําการแทนส่วนตัวท่านจะกลับไปสวยที่เพียรศึกในสวรรค์ ไม่กลับมาสู่มนุษย์โลกอีกแล้วเพราะมนุษย์ก่อความเดือดร้อนรุ่นวายให้แก่ท่านไม่รู้จักสิ้นสุดอัตมาก็เลยรับปากกับท่านไว้ข่าแต่สมันนะประเพณีสตูตีนี้เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์เรานับถือปฏิบัติสืบๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเลิกไม่ได้หรอกทําไมถึงเลิกไม่ได้ถ้าหากเลิกจะเป็นการทําลายประเพณี เป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษถ้าหากการเลิกประเพณีบางอย่างเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษมนุษย์ในชมพูเทวีปทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนเนรคุณทั้งนั้นทําไมทั้งเป็นอย่างนั้นละ่ะท่านสมณนะเพราะมีประเพณีและการปฏิบัติเป็นอนเนกที่บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาในเวลานี้มนุษย์ได้เลิกซะแล้วอะไรที่ท่านว่าเลิก อย่างเช่นเมื่อประมาณห้าสิบปีมานี้เองนักอนต่างๆที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคาในฤดูที่น้ำเ อ, อ่ขึ้นเต็มฝั่งจะประกอบพิธีคงคาสยุมพรทุกปีคือในวันเพ็ญเดือนสิบเขาจะเลือกเอาหญิงสาวพรมาจารีคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของเจ้าแม่คงคามาประดับตกแต่งอย่างสวยงามนังขึ้นสู่คานหามแห่ไปทั่วเมือง เสร็จแล้วก็นำไปโยนลงในแก๊สแสน้าอันไหลเที่ยวของแม่น้ำคงคาให้จมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาคนจำนวนหมื่นจำนวนแสนที่เฝ้าดูอยู่บนฝั่งเชื่อกันว่าหญิงสาวนั้นจะได้เป็นปฏิบัติรับใช้เจ้าแม่คงคาเมื่อเจ้าแม่คงคาพอใจแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมไม่ทำให้คนอื่ น, นตกน้ำตายหญิงสาวที่ถูกโยนน้ำให้ตายนั้น ย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากชาวเมืองว่าเป็นวีรสตรีเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ถึงจะได้รับเกียรติสูงเพียงใดก็ตามก็ไม่ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนใดยอมพลีชีวิตเพื่อเป็นเครื่องสัวยแก่เจ้าแม่ของคาพอถึงเดือนสิบทีไรหญิงสาวพรมาจารีทั่วเมืองต่างหวาดสะดุ้งนอนตาไม่หลับบางคนถึงกับหลบหนีไปอยู่ถิ่นอื่นะชั่วคราว บางคนก็ยอมแต่งงานเสียกับใครคนใดคนหนึ่งก่อนจะถึงวันคงคาสยุมพรพิธีนั้นได้ก่อความเดือดร้อนแก่คนไปดันมากแต่เดี๋ยวนี้พิธีนั้นเป็นยังไงท่านรู้ไหมพิธีนั้นเป็นยังไงเลิกล้มไปแล้วพิธีนั้นเลิกล้มไปแล้วถูกแล้ว ไม่มีการปฏิบัติกันอีกต่อไปคนส่วนมากแทนที่จะเสียใจเมื่อมีการเลิกประเพณีอันบนรรพบุรุษเคยปฏิบัติมาเป็นเวลานับด้วยพันปีกลับยินดีไปด่าซะอีกที่เลิกจะได้และไม่มีใครเห็นว่าเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่อย่างใดนอกจากพิธีคงคาสยุมผ่อนดีแล้วยังมีพิธี อ, อื่นๆอีกมากมายที่บรรพบุรุษของเราปฏิบัติมา แต่เราเลิกเสียเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเลิกพิธีสตุตินี้ก็คงไม่เป็นการเดรัจคุณไปอย่างใดเออท่านสมณนะ้าพเจ้าพอจะเห็นด้วยกับท่านละว่าถ้าเลิกประเพณีนี้ซะก็คงไม่เป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่มีอะไรอีกท่านคงไม่ทราบว่าพิธีนี้เป็นบุญญพิธีอันสูงส่งสําหรับสตรีเพศ เป็นการเสียสละอย่างสูงเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทันทีท่านยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าบุญได้ดีพอทายังไงข้าพเจ้าถึงจะเข้าใจละ่ะอาตมาจะอธิบายให้ฟังเชิญท่านสมณนะคำว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความสงบเยือกเย็นเป็นความมีประโยชน์สิ่งใดก็ตามที่ท่านทาแล้วพูดแล้วคิดแล้ว นำความสุขสงบใจมาสู่ท่านและคนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและคนอื่นสิ่งนั้นเรียกว่าบุญสิ่งใดก็ตามเมื่อทำพูดคิดแล้วเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นไม่มีประโยชน์แก่ใครนั้นสิ่งนั้นเป็นบาปอาตมาพิจารณาดูแล้วประเพณีเผา ต, ตัวตายตามสามีนี้ไม่มีประโยชน์แก่ใคร นิจแต่ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ตายเองก่อความเศร้าสลดใจให้แก่ญาติเพื่อนฝูงผู้ตายเองก็ตายด้วยความไม่เต็มใจตายด้วยความทุกข์ก็เมื่อเขามีจิตใจเศร้าหมองก่อนตายเช่นนี้เมื่อตายไปแล้วเขาจะไปเกิดในสวรรค์สวยที่พยสุกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพิธีสตุตินี้แทนที่จะเป็นบุญกลับเป็นบาปอย่างแท้จริงข่าไปทำรันนะ ที่ฉันเห็นโดยกับท่านทุกประการอี่ชั้นสงสารลูกสึ้นเยาว์ไหวไม่อยากให้ตายตามสามีทั้งนายบิดาของเขาเองในส่วนลึกของหัวใจก็สงสารลูกไม่อยากให้ลูกตายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ให้ลูกทำศัตรูทีประชาชนคงจะแช่งชักหักกระดูกเราพระนามเราดูถูกเหยียดหยามเรา เราจะรู้สึกอับอายตอดสูจนังดูน่าขายไม่ได้เราห ว, วั่นเกรงเรื่องนี้นมากผู้เจริญกรุณาเนี่ยวิธีปฏิบัติให้เราด้วยว่าจะทำยังไงดีดูก่อนอุบาสิกาธรรมดามนุษย์นั้นย่อมมีการตำหนิติดเตียนผู้อื่นเราทำก็ตำหนิเราไม่ทำก็ตำหนิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น เราไม่ควรจะถือลมปากคนอื่นเป็นประมาณถ้าเราพิจารณาดูถี่ทวนแล้วเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีเป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นความสุขทั้งแก่ตนและคนอื่นบันณฑิตสรรเสริญเราควรทำสิ่งนั้นทันทีแม้จะได้รับการตำหนิติดเตียนการประนามการดูหมิ่นเหยยดหยามการด่าว่าก็ตามอย่าได้ถือเป็นประมาณ เพราะการที่เขาตาหนิประนามดูมินดาวานั้นเขาตาหนิเพราะความหลงผิดเพราะความโ ง, ง่เขลาเพราะความไม่รู้จํงเป็นด้วยเด้อที่เราจะถือเอาคนโง่คนหลงเป็นผู้นำทางชีวิตเป็นผู้บงการให้เราทําสิ่งนั้นหรือไม่ทําสิ่งนั้นแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นอกุศลเป็นบาปบัณฑิตติดเตียน ทำลงไปแล้วจะนําความทุกข์ความเดือดร้อนและอนัต t h มาสูตต่ตนและคนอื่นสิ่งนั้นอย่าทําเป็นอันขาดแม้เขาเดินจะยุยงส่งเสริมรบรา้าเพียงใดก็ตามเพราะเขายุยงส่งเสริมด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขลาด้วยความหลงผิดในเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจว่าเขากําลังหลงเดินตามทางผิดฉะนั้นเราจะต้องเดินตามเขาด้วยละ่ะเรากลับมาเดินตามทางที่ถูกไม่ดีกว่าเหรอือ ว่ายังไงเธอตามที่ท่านสมณพูดมานี้ท่านรับ ว, ว่ายังไงก็เห็นจริงตามที่เขาว่านั้นก็ทำตามสิทำตามเหรอ ผ่นอนใจทำไมถ้าทำมีหวังถูกชาวบ้านด่าแลดีไม่ดีอาจจะเกิดเกิดอะไรอออันตรายไงล่ะคุนโกอันตรายอย่างนั้นเด้อถูกแล้วชาวบ้านจะต้องเล่นงานแน่แต่นั่นแนละ ความทราบซึ้งความที่ถูกที่ควรมีอํานาจเหนือกว่าท่านสมณะท่านมีความคิดเห็นยังไงอุบาสกข้าพระเจ้าเห็นด้วยกับที่ท่านพูดทุกประการคําแนะนําสั่งสอนของท่านฟังจับใจยิ่งนักมีเหตุผลถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะคําสั่งสอนของท่านนี่แหละจึงได้เกิดแสงสวา่างคือปัญญาขึ้นในใจ รู้ถึงทางที่ถูกต้องแล้วขพเจ้าจะไม่บังคับให้ลูของขพเจ้าต้องกระทาพิธีสตุตีอันโนตรายทารุณนั้นอีกต่อไปความเห็นของท่านชอบแล้วอุบาสกอาตมาขออนุมโมทนาขอให้ท่านยึดหลักเหตุผลหลักความถูกต้องเป็นธงชัยในการนำทางชีวิตต่อไปอดิฉันขอกราบท่านผู้ทนน ไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงดี จ, งจึงจะเหมาะสมกับอุปการะคุณอันสูงส่งที่ท่านได้ช่วยชีวิตติฉันไว้ไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอกการได้ช่วยสัตว์ผู้ตกยากให้พ้นจากความทุกข์เป็นกุศลกรรมอันสูงส่งก่อให้เกิดความสุขใจแก่อาตมายิ่งกว่าคำขอบคุณใดๆทั้งสิน้นข้าพเจ้าขอลาก่อเชิญท่านเจริญพร เจรนาธรรมอยู่ใต้ต้นทองกวาวทันใดก็มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณเจ็ดแปดคนเดินตรงไปท่าทารีรอนมาถึงก้นนั่งลงไม่ได้แสดงความเคารพแต่อย่างใดชายที่จ้องมองหน้าดูเหมือนมีอาวุโสกว่าเพื่นส่ออาการว่าเป็นหัวหน้าท่านสมณะท่านเขยไหมที่มาทำร้ายประเพณีการกระทำศัุรีอันเก่าแก่ของเรา อาตมาไม่ได้ทําลายประเพณีสตุตีหรือประเพณีอะไรของใครอย่าหนอยเลยนะท่านอาภู่ยุทธสัก็ท่านไม่ใช่หรอเป็นผู้แนะนาให้พญาาพี่ชายเข้าไปรจับพร้อมทั้งบิดามารดาของเธอเลิกทำสตุตีอาตมาไม่ได้แนะนําให้เขาเลิกเพียงแต่แนะนําให้เขาทิ้งความเห็นผิดเสียแล้วให้ความรู้ที่ถูกต้องแทนท่านเห็นว่าการทําสตุตีเนี่ย ب, เป็นการการะทําที่ผิดอย่างนั้นเหรอ อบาศก์ของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเห็นว่าผิดอีกคนหนึ่งอาจจะเห็นว่าถูกอาตมาไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูกสนใจแต่เพียงว่าบางสิ่งบางอย่างควรทำบางสิ่งบางอย่างไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสิ่งใดก็ตามเมื่อทาแล้วนาความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่นนาความเสียหายมาสู่ตนและคนอื่น ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครสิ่งนั้นไม่ควรทําสิ่งใดก็ตามเมื่อทําแล้วนำความสุขความสงบมาสู่ตนและคนอื่นเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่ตนและคนอื่นสิ่งนั้นควรทําขอให้พิจารณาดูด้วยจิตใจอันเป็นธรรมว่าการเผาตัวเองตายตามสามีนั้นผู้ตายได้รับประโยชน์อะไรสามีที่ตายไปก่อนได้รับประโยชน์อะไร พ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายของผู้ตายเผาตัวตายได้รับประโยชน์อะไรชาวบ้านทั้งหลายได้รับประโยชน์อะไรท่านชื่อวอ่าอาตมาตามตรงหน่อยเถอะบอกตามตรงก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ไม่นำความสุขสงบใจมาให้แก่ใครแล้วยังไงล่ะลงกันคาดกับนำความทุกข์ระทมจมใจความสูญเสียการพัดพระอันไร่จาเป็นมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประโยชน์ที่จะได้รับมิอยู่อย่างเดียวอะไรเหลืออุบาสกการรักษาประเพณีประเพณีอันโหดร้ายทารุนก็ถูกของท่านแต่นี่เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์เราถือปฏิบัติสืบสืบกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็สามารถเลิกได้ท่านรู้ไหมว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีอันสูงส่งสำหรับสตรีเป็นการเสียสละอย่างสูงจะได้บุญ ตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์บุญเป็นชื่อของความสุขความสงบเยือกเย็นความมีประโยชน์สิ่งใดทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วนำความสุขสงบใจมาสู่ท่านและคนอื่นเป็นประโยชน์แก่ท่านและคนอื่นสิ่งนั้นเรียกว่าบุญสิ่งใดเมื่อทำพูดแล้วคิดแล้วเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนแก่ตัวและคนอื่น ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครสิ่งนั้นเป็นบาปอัตมาพิจารณาดูแล้วประเพณีเผา ต, ตัวตายตามสามีไม่เป็นประโยชน์แก่ใครมีแต่ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ตายก่อความสลดใจให้แก่ญาติมิตรเพื่อนฝูงผู้ตายเองก็ไม่เต็มใจจะตายแต่ต้องตายด้วยความทุกข์ก็เมื่อเขามีจิตใจเศร้าหมองก่อนตายเช่นนี้ ตายแล้วเขาจะไปเกิดในสวรรค์มีสุขได้ยังไงท่านผู้เจริญมันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดที่คนเป็นอันมากหลงเชื่อและกระทําสิ่งที่โง่าขาวบางอย่างโดยไม่มีการพิจารณาสอบสวนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีข้าพเจ้าทั้งหลายถ้าไม่ได้ทันก็คงจมกลัดอยู่ในความโง่ต่อไปท่านเป็นดวงประที่ช่วยขจัดความมืด คือโมหะของพวกข้าพเจ้าโดยแท้ข้าพเจ้าขอละเอ้าพวกเรากระกระ จิสู่สงบเงียบแห่งราตรีก็เข้าที่ทําสมาธิเจริญอา น, นาปานาสติตั้งสติไว้ที่ลมหายใจหายใจออกมมก็รู้สึกว่าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้นหรือยาวก็รู้สึกว่าหายใจออกสั้นยาวหายใจเข้าสั้นยาว ก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นยาวเนื่องจากปล่อยจิตมานานจึงคุมสติได้อย่างยากเย็นขณะที่กำหนดลมหายใจบางครั้งจิตใจก็เลื่อนลอยไปยังอารมณ์ต่างๆ ต, ตัวไม่รู้ตัวรู้ตัวก็รีบดึงกลับคืนมาลูกไว้กับลมหายใจต่อไปจิตใจในขณะนั้นเหมือนม้าพยศไม่เคยมีใครมาจับผูกฝึกใช้งาน พอมีคนมาจับจึงต่อสู้ดิ้นรนจนหลุดวิด่งหนีไปอีกต้องวิ่งไล่จับธรรมภูอีกปลุกปลามอยู่กับจิตที่ดิ้นรนจนเหนื่อยอ่อนและในที่สุดจิตใจก็แน่นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิมีอารมณ์เป็นอันเดียวสงบนิ่งอยู่กับลมหายใจเหมือนม้าพยศหมดเรี่ยวแรง ขนาะที่แน่วแน่แล้วนั่นเอง หังแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนจริงไม่ขนาดที่ทั้งเดือทั้งตัวเราเหลือแต่โดนจิตไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายและไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกด้วยประสาทสัมผัสใดๆทั้งสิ้นรู้สึกตัวคล้ายกับว่ากำลังอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งพักคาสติก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของจริงแล้วก็จะเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆขึ้นมาตามลักษณะของนิมิตนั้น ถ้าเป็นนิมิตดีสวยงามก็จะเกิดความพอใจถ้าเป็นนิมิตร้ายก็จะเกิดความตื่นเต้นตกใจกลัวอาจารย์จึ ง, จงได้สอนให้ระมัดระวังอย่าเผลอสติคิดว่าเป็นของจริงให้รู้ว่านั่นเป็นภาพมายาถ้าคล้อยตามตกใจกลัวจนตัวสั่นเพลอสติออกจากโลกนิมิตมาสู่โลกแห่งความจริงโดยฉับพลั น, นก็จะทําให้ขวัญเสีย จนปลายป็นคนวิกลจริตไปก็มีพยายามดึงจิตไปจากนิมิตนำ ม, มันไปปลุกไว้กับลมหายใจในที่สุดนิมิตเหล่านั้นก็หายไปนิมิตน่ากลัวเหล่านั้นหายไปแล้วค่อยสบายใจขึ้น แต่ว่าเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วสิคราวนี้ปรากฏภาพขึ้นลนางๆคนยืนขึ้งนงดวิ่งอยู่คนเดียวค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นทุกทีลีลาวดี สุสติก็หลุดออกจากกลมหายใจเข้าไปอยู่ในโลกในนิจกับลีลาวดีอย่างสิ้นเชิงเข้ามายืนอยู่เฉพาะหน้าลีลาวดีดูเหมือนเธอจะไม่ใช่ลีลาวดีคนเดิมเธอยังเป็นเด็กอายุคงแค่สิบห้าปีเท่านั้นแต่ท่าทางเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหน้าตารูปร่างของเธอไม่เหมือนเดิมแต่ก็มีอะไรหลายอย่างแสดงให้เห็นชัดว่า เป็นลีลาวดีได้แน่รู้สึกดีใจทั้งเสียใจละคนกันดีใจที่ได้พบลีลาวดีอีกแต่เสียใจเมื่ึกถึงความหลังอันขมขื่นของเราทั้งสองเฉพาะอย่างยิ่งความขมขืนนั้นเกิดจากเรวัตตาแปลงทันได้ไหมลีลาวดีใช่ไหมใช่ เสียงของเธอึ่างพูนซะจริงๆนหน้าตาดูเหมือนกับว่าไม่พอใจด้วยจริงๆนะไม่เห็นเธอยินมซ้ำยังขมึงขึงซะอีกด้วยถามจริงๆเถอะนี่ดีนาวาดีจริงๆเหรอหรือว่าเป็นเพียงภาพนิมิตบอกหลวงพี่ด้วยจริงๆไม่ใช่ภาพ เวลานี้เธออยู่ที่ไหนเธอเกิดใหม่แล้วหรอเกิดที่ไหนตามด้านหน้าลินาวดีหันหลังเดินไปอย่างรวดเร็วรู้สึกเหมือนกับว่าถูกสะกดด้วยมนต์ไม่มีอำนาจใดๆที่จะบังคับตัวเองได้ทั้งสิ้นเดินตามหลังลินาวดีไปโดยอัตโนมัติ เวลาวดีก็พามาถึงนครแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นนครที่สวยงามมากตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลปริมฝั่งแม่น้ำเรียงรายไปด้วยเจดีสถูปเทวาลัยและปราสาทของเศรษฐีคราบดีตั้งแต่บนฝั่งไปสิงชายน้ำเลื่อนล่างบันไดหินรัดตันลงไปสวยงามดีตามขั้นบันได มีฤาษีโยคีสัญญาสีและนักบวชในละทิทต่างนั่งสวดมนตน์ภาวนาในน้ำใกล้ฝั่งมีคนทุกเพศทุกวัยอาบน้ำสงสนานกายคาท่ามเต็มไปหมดลีลาวดีพาเดินไปตามถนนนั้นสวยงามสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้าโรงงานเทวสถานสลับด้วยสวนดอกไม้เป็นแห่ง จะมาถึงกำแพงสูงแห่งหนึ่งมีประตูใหญ่อยู่ตรงกลางชายคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูลีลาวดีเดินมาชายคนนั้นก็รีบเปิดประตูออกลีลาวดีเดินผ่านเข้าไปเขากระทำความเคารพแต่พอจะเข้าไปบ้างเขากล่าเข้ามาขวางยื้อชเข้าไปไม่ได้ทำไมเข้าไปไม่ได้ที่นี่เป็นสถานหหา้าแต่ข้าพระเจ้ามากับผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปได้ข้าพเจ้าก็ควจะเข้าไปได้เมือนท่านอย่ามาอ้างผู้หญิงคนนั้นมีสิทธิ์เข้าไปได้แต่ท่านไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าไปเถิดไม่ได้ไม่ได้ยางไรก็เข้าไปไม่ได้โยมออนอกไปยาไปไปไปีลวดีเดินไปตามถนนเล็กๆตรงไปยังปราสาทหลังใหญ่เธอหันมายิ้มที่แว็กหนึ่งและเข้าประตูหายไปทันใดสิ่งต่างๆก็หายวับ ไม่มีประสาทไม่มีมมมคนปาวประตูสติได้กลับมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอีกครั้งไม่มีนิมิตใดๆเหลืออยู่เลยเสียตาอย่างยิ่งภาพลีลาวดีหายไปอย่างล็กลับพยายามน้อมลึกให้เกิดนิมิตรีลาวดีอีก แต่ไม่มีคนใดๆเกิดขึ้นเมื่อทำให้นิมิตเกิดขึ้นไม่ได้ก็พยายามกลับมาสู่ลมหายใจทําจิตใจให้สงบยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่สําเร็จอีกเห็นเช่เป็นเพราะว่าทันมารมเกี่ยวกับนิมิตของนิลาวันดีได้เพุ่งพลานขึ้นมาทําลายสมาธิซะแล้วนนในที่สุดก็เลยตัดสินใจออกจากสมาธิท้งนี้จะออกจากสมาธิแล้ว นิมิต ท, ที่เห็นเกี่ยวกับดีลาวดียังติดตาติดใจอยู่อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาพนาครถนนผ้าน้ําอาคารบ้านเรือนและแม้แต่ใบหน้าของดิลาวดีเป็นนิมิต ท, ที่แปลกประหลาดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งก่อนๆ น, นิมิตดิลาวดีเป็นดิลาวดีแห่งนครสาวัตถีเป็นรูปร่างของเด็กสาวบ้าง หญิงสาวเป็นตัวบ้านนางภิกษุณีบ้างแต่ออกเสียงยิงมวนครู่หนึ่งก็หายไปไม่มีเหตุการณ์สถานที่ประกอบแต่นิมิตคราวนี้เป็นดิลาวดีอีกคนหนึ่งมีเหตุการณ์สถานที่ประกอบอย่างชัดเจนคล้ายของจริงมากกว่าความฝันมันหมายความว่ายังไงเป็นไปได้ไม่ว่าภาพลิมิตนั้น เป็นแสงสะท้อนความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เข้ามาปรากฏให้เห็นในดวงจิตละเอียดอ่อนพอจะรับภาพมันได้ในขณะ ท, ที่เป็นสมาธิถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่านคร น, นั้นมีจริงปราสาทนั้นดีจริงในยีนาวดีคงได้เกิดมาเป็นหญิงสาวนั้นจริงเพราตั้งแต่เธอตายจนถึงขณะนี้เป็นเวลาเสิบกว่าปีแล้ว ภาษาธะตั้งมั่นแล้ไหนภารสนกไกรต่างอะไรเสียดายออกปากอารัธนาวิงวอนให้อยู่ตอดต่อไปแต่ไม่สามารถรับคำอรัธนาเขาได้เพราะชีวิตคือการเดินทางจนกว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านเป็นพันขามประมาณกึ่งโยศเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าชา้าตอนช้าเข้าไปบินธาบาัตในหมู่บ้านแต่อาหารพอประทังชีพก็กลับมาฉันป่าช้าที่อยู่เต็มไปด้วยสีใ่ร่มเย็นแต่เป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านทั่วไปถ้าไม่มีธุระจําเป็นจะไม่มีใครเดินผ่านมาเป็นขาดความกลัวทั้งหลาย ย่อมเกิดจากความรักความยึดถือและยอดแห่งความรักความยึดถือของมนุษย์ก็คือชีวิตของตนเองถ้าปล่อยวางความรักความยึดถือในชีวิตได้ความตัวก็ไม่มีและในวันที่สองหลังจากเข้ามาอยู่ในป่าชาไม้สีเสียด<ๆ>ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาหน้าตาหม่นหมองแสดงว่ากําลังทุกข์หนักท่านสมณะ โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยมีเรื่องอะไรอุบาศกข้าพเจ้าช่วยปลาละกะเกิดในตระกูลพรามมีหนูบ้านมาแล้วว่าขาม้เองแล้วยังไงละ่ะข้าพเจ้ามีบิดามานดายาต